การทำชั่วในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้อะถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันโมโหโกธาขึ้นมาทำความชั่วขึ้นมาเอาค้อนเอาเม็ดไล่ฟันขึ้นมาด้วยสกิก็ต้องจับเข้าคุกทันทีเพราะคนชั่วนะี่นี้ก็เหมือนกันความชั่วประโลกเช่นเดียวกันนะะั่นแหะถ้าใครทำความชั่วในเป็นมนุษย์ตายไปแล้วก็ไอ้ความชั่วตรงนั้นแ่ะจะเข้าไป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 ตั้งใจบ้างทําไม่รู้เพราะไม่รู้เป็นส่วนมากแต่เมื่อทําไปแล้วนะ่ะออกรรมตัวนั้นไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีติดอยู่แต่เอาเถอะจะทํำยังไงได้เมื่อทํากรรมไปแล้ว เ, เราก็ยอมรับว่าเราทําที่ไม่ดีอแต่เราจะไปคิดวิตกกังวลจะในเรื่องนั้นไม่ได้และเราต้องคิดถึงคุณงามความดีเราอคุณงามความดีของเราที่ทําไว้ก็มากมายมหาศาลไม่ใช่หรอ เราก็ต้องระลึกถึงคุณงามความดีของเราเนี่แหละบุญคุณงามความดีของเราจะเข้ามาอประคับประคองในช่วงที่เราคิดความดีเพราะนั้นท่านว่าความชั่วที่มันผ่านไปแล้วมั น, เ ป, นเป็นอนดีตไปแล้วดีมันก็ดีมันแล้วชั่วมันก็ชั่วมาแล้วอแต่จะไปคิดถึงมันคิดถึงคุณงามความดีแล้วก็ตั้งต้นใหม่ข้าพเจ้าจะทําดีเท่านั้นข้าพเจ้าจะสร้างบุญสร้างกุศลเท่านั้น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 ประสง์อนุโมทนาให้พรรับพรหนะ้า